ครูอาจารย์ทุกๆกทันจะเล่นในศีลในธรรมจอหยาดโยมสาธุชนทั้งหลายไอนี่หลวงพ่อก็ได้ม <c oughs> ีโอกาสมาประหล่ดธรรมสู่พวกเขาฟังอีกทีหนึ่งเพื่อขี่แผนทีแนวทางของการปฏิบัติให้ถูกเป้าหมายของการดำเนินไปฟังเบัง ฟังแล้วว่ามันฟังสื่อๆฟังแล้วนำไปเหตุบิงทำบังให้มันมีขึ้นให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการจะเริ่ญนสติปัฏฐานสีเนี่ยซึ่งมันเป็นสูตรอหนึ่งที่เป็นสูตรสำเร็จเมื่อผู้ใดจะเลื่นสติปัฏฐานสีจริงๆเหมือนกับขึ้นย่านภาหณนะ คืนเข้าขไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตได้โดยปลอดภัยได้เป็นเลือกระเทียบทาได้เป็นฟังได้การเจริญสติปัะทาซีก็คือเข้าได้เหตุนในทรรอยู่นี่ล่ละเรียกว่าหลักของกรรมฐานเป็นการกระทํ่มไม่ต้องไปคิดเป็นนึกมันผิดมันถูกถ้าเข้าไปคิดมันให้ส้างสะกอน ไอเหตุจารก์ตั้งตนโดยการกระทํามันสมกับซื่อว่ากรรมกรรมฐานกรรมก็คือการกระทําฐานก็หมายถึงที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทํากรรมอันนี้ถ้ามันใดให้งนีเจตนาลงไปสมมุติจังสติกายานุปัจนาสติปทานนี่นี่ีสติดูกายมันเห็นกาย ดูจังไร้กายเห่าเนี่ยทันทีหลวงพ่อได้วาไปแล้วสตินี่เป็นดวงตาภายในดูกายรับตาเบิ้งเคยเห็นตาภายในว่ารับตาเคยเห็นเห็นกายเห็นใจมันคิดการเคลื่อนไหวของกายของใจการเคลื่อนไหวของกายคือยืนเดินนั่งนอนแต่มันหู มันบอกขมันบอกเคลื่อนไหวกระเฮ็ดให้มันเคลื่อนไหวเพื่อสิ่ปลูกสติให้มั น, น, ม, นมีหลายขึ้นมันหลายขึ้นมาจากสติน ห, นหน่อยๆจนเป็นมหาสติอ่ามันหลายเป็นเรือยูเรือกินพ่อยู่พ่ อ, อ, พอกิ น, กนไปละค่ายกับพระเฮ็ดไอขีบการงานต่างๆเลียงขีบหาปัจจัยกีปลองค้นกับเซียเซียไอคีบเจ้าของอชาวนาเท่ากับเสือ้อฝีมือของชาวนา เอาไหลเขาก็เสียว่าเห็ดไหลได้อยู่ได้กินพอขาเขาก็ขาขายได้อยู่ได้กินจนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้เหลือเหลืออยู่เหลือกินไอ้นอคีบอันนี้คือกันนั่นแล้วถจะเริกสติเห็นแต่มันลายจะมันเหลือใสเพหลงบอลลึ่งจากเถี่ยพุ่นไอ้คีบไอคีบพ่พอมะจันเดแต่ว่ามีชีวิตเลี้ยงโดยสิขาและธรรมเนี่หมายถึงพ่อมะจัน พมจันท์มันเปนกินข่ากินน้ำกินพักกินอาหารต่างๆพ่อมาจันทร์คือกินอันนี้แหละเป็นอาขีพเป็นนี้แหละให้มันโตมันใหญ่ขึ้นมาจนมันบวกเกิดบวแก่บวกบเก็บบวายบต่ยเป็นชีวิตของพ่อมาจันทร์เบงเบงกายของเฮาเนี่ยมันเคลื่อนมันไหวมันรูซึกมันบวกเคลื่อนไหวกระเฮ็ดให้มันเคลื่อนไหวสร้างเอาก็ยังว่าสร้างให้มันมีเฮ็ดให้มันหลายหรือว่าภาวน่า สัางให้มันมีเหตุให้มันลายจากหน่อยเตุให้มันมีลายๆขึ้นมาจนมันเกิดเป็นวิปัสนาที่แหลกเป็นกรรมฐานผลของกรรมฐานเกิดเป็นวิปัสนาคือลมพอประคู่ผลวา่าวิปัสนาคือยงคื อ, อมันลูกเก่งพลผ้าวเกา่าเพราะมันจินดตมักทัวคือเกา่าพลผ้าวเกา่า จิตใจกับพนไปเมื่อจิตใจมันลุดพนไปสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าใจก็ดีขึ้นกว่าเก่ากายก็ดีขึ้นกว่าเก่าขนประสาทพอดีประสาทดีขึ้นกว่าเก่าคนมักรงมักลื่มบ่ลื่มบ่หลงขนมะเขียดมักสวนบ่อเขียดบ่สวนคนบ่อโโหบุญเกิดโโหบุญคนบ่อโโหบาปเกิดโูหบาปคนบ่อหลุมมกหลุผลเกิดหลุมมะหลุมผลหลุมแล้วมันลุดมันพนสิเด้ เรียกว่าวิปัสนากรรมฐ า, านว่ามันจำเอาอันนั้นพิษอันนั้นทูกขว่ามันเห็นสันวัดได้ทีจิตทีใจเหตุอย่งสี่มันหลุดออกมาได้มันหลุดออกมาได้มันเห็นแจ้งบ่รังเล่บ่สงสัยอย่างสี่เรียกว่าวิปัสนาอันนั้นเป็นอเนกสง์ของกรรมฐ า, านเป็นผลของกรรมฐ า, านเราจึงมาทำมาเหตุกันือเรียกว่า มันจะเลร่อนเห็ุที่มันลายโดยเฉพาะหลงพอวาแมนเรื่องของกรรมฐานเรื่องของอารมณ์มขึ้นในวากับพระสงฆ์คุยกับพระสงฆ์มันมีศิลปะมีศิลปะยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตของมนุษย์เท่านั้นจิตใจของคนเ่าหรือว่าอนไดก็ดีเป็นการวิวัฒนาการใดเบ่งให้มันดีเบ่งให้มันเห็น ยังบางคนเนี่ยหลวงพ่อบอกกับนักปฏิบัติทีที่ทำจริงๆนะนเนี่ยนะเหตุแต่มันมีจริงๆให้มันเห็นจริงๆเมื่อมันมีแล้วมันเพิงได้จังอารมณ์เบื้องตนให้รูปจากหลูกจากน้ำจังใดให้รูปจากหลูกจากน้ำส่วนใดเป็นหลูกส่วนใดเป็นน้ำท่าที่ของหลูกมันเป็นจังไดท่าที่ของน้ํามันเป็นจังไดอาการของหลูกมันเป็นจังไดอาการของน้ามันเป็นจังได จนได้หลักฐานยืนยัดใครๆก็เขาได้หลักฐานคล่องรั์มรดกของเขานี่นะมีที่ไหลที่หน้ามีเขตแด่นมีนิมิตยืนยัดบรร่าไม่ผู้ใดสิมาตัม า, าโกงเอาของเห้าได้ตามกฎหมายตามาเครื่องหมายตามแปลนตามแผนต่างๆเขายืนยัดเ้าก็มีสิทธิคล่องได้ ใช่ได้ถูกต้องตามกฎหมายบานเมืองจำนองจองจำยังได้เบิดอันนี้เรียกว่าหลักฐานเมื่อถูกคดีใดก็มากแต่ซื้อกระขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าหลักฐานกรรมฐานเบื้องต้นที่เกิดเป็นวีปัสนาขึ้นมามันมาลูบลูบลูน้ำนี่แหละลูบลูบลูน้ำลูบลูบทูกน้ำถูกลูบโลกน้ำโลกลูบสมมุติน้ำสมมุติลูบบัญญัติลูบบุญลูบบาปลูบศีลลูอ ศาสนาเป็นยังเสร็จนะเสื้อขึ้นมาทันทีว่าโอ้ส่วนลูกส่วนน้ามันก็ลูกจักแล้วมันเป็นจังไห น, หน้าที่ของลูกทือว่บาพูดว่าลูกทุกหน้าทุกที่เว้าไปแล้วลูกสมมุติน้ามสมมตุติคำพูดคำจาวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นสมมุติจังไรจิงจังไรจริ ง, รงด้วยสมมุติจังไดรแต่เสือเสียงเรียกน้าของห้าสมมุติที่เป็นดุนเป็นก่อน บานเลื่อนเฮือนซ่านเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต่าคำเบาคำจาหลักฐานใดต่างๆอยู่ในสมมุติบัญญัติเขาก็สิโลไปหลูกถูกนำถูกหลูกโลกน้ำโลกมันเป็นยังไงเป็นตัวเม็นตนนี่รีบอเขาสิโลจักเมื่อรู้แล้วมันก็หลุดออกมาด้วยอจากหลูกจากหน้ามันก็หลุดออกจากหลูลุตออกจากน้ามันความเฉียดความสนความหักความสร้างมันก็เบาลง ได้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศาสนาะศาสนาเกิดขึ้นคนเท่านี้เองใ่ไหมคนเท่านีเลื่อนเพรามีทุกข์คนนั้นเราไม่มีศาสนาะแต่คนยังมีทุกข์อยู่คนนั้ น, นบพรามีศาสนาะัังนเพราะมันศาสนาโยวัดศาสนายุวัดเนี่เป็นสมมุติบัญญัติศาสนาจริงๆที่มันโยน้าเ้าคนมันศาสนาคือการแก้ไขจดลดออกได้สงสารนาของกายมันหิวจินเขามันก็หายหิว มันหนาวกับพงพามันมีอยู่ศาสนาทั้งหลายทั้งปวงบางคนว่าผมมีศาสนามีศาสนาคือการแก้ไขหลุดออกเรื่องกายก็แก้ได้เรื่องใจก็แก้ได้หมดละเรื่องศาสนาบันเท่าสิเห็นโอ้ตัวศาสนาคือตัวคนเท่าที่ผมมีทุกผมมีปัญหาฮะก็ับ เ, เห็นตัววันนี้ เขาจะรับรองว่าเขามีศาสนามีพุทธศาสนาคือผู้หลุดผู้ตืน่นผู้เบิกบานบอรุด บ, บลลนสมมติเสมอพุทธก็คือผู้หูุผู้ตืน่นแบบยึดใจผู้หูุผู้ตืน่นแบบเอาเหตุขึ้นมาห้องศาลขึ้นมาจากการจเจริญสตินี่แหละแบบพอหลงตัวเริ่มตน น, นี่สินะอบอหลงจนบอหลงจนบาดตายตายก็บอหลงตายเป็นเสียด้วยนะี่สนะคือหลวงพ่อได้บอกให้ฟังหลายเทียะ ขันบวกลบหัดมันน่ะมันกลเป็นผิดเป็นไถยขันมีกายกับใจนี่มันยิ่งอ่าเป็นสาธารณะเป็นสาธารณะที่สุดใจของเขานี่เหมือนกับซาลาที่เขานั่งอยู่ในแั้นเป็นสาธารณะยังมาผักก็ไดายขันบวบีวัดพัฒนาบวบเฝ้าบวบเบิงมันเปรตม่านผีหยักยังก็มาผักก็ได้ทั้งเบ็ดเราจะมาศึกษามาเห็นมัน จนรูเรื่องของศาสตร์จ่าคือว่ามีทุกทุกหน่อยลงรูเรื่องบุญรูเรื่องบาปใจดีขึ้นก็เกลาเป็นบุญขึ้นมาอความทุกข์หน้อยลงใจดีแล้วกินได้นอนรับยว่า บ, บุญแล้ววันนี้ได้บุญแล้ววานนี้บ่เป็นบุญคือจังเป็นหลวงพอ่อพระโค้ปันวาสบุญที่แท้จริงคือใจที่มันดีแล้วบ่เปิบบ่เปื่อน บ, อนบอ่มีภาร ะ, ะอันใดภาร ะ, ะก็นหน่อยลงมา หอยลงกลัวเก่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวบระบุญนะเพิงได้เละปันเพิงใจเจ้าของก็เพิงได้ปันเพิงขิดเพิ่งใจเสื้อมันเพิ่งผ้ า, าศัยจิตใจได้บอบอุ่มหาคข่มดีเ น, น, น, นี่ยได้บุญมาเลยได้ระบายมาเลยยาอยู่หนีก็อยู่หนีบอหามนอนก็อยู่บอมันคิดมันไหลไปสิดได้บอหามได้ใจฟังบอแตามันหูมันเฉียงลงมันก็ใส่ได้แต่ปัน โยนำหลกด้ำหลานดโยนำบาดร้ำแห้งน้นำสั้นทำงานทำการได้ยินทั้งหูได้เห็นทั้งตาอะไรก็ตามโล่กิ่งโู่แกงบ่หม่อมบอ่เมาบ่ห ล, ลง บ, ลบ่ลืมบ่ผูกมัดหลัดรึ่งบ่ไหลบ่าเลื่อนคือเก่ามีที่เพิงผ้าอาศัยได้มีใจกับเพิงได้เสร็จแล้วบดัดเออไหนเด้เป็นบุญเลยบุญคือผู้รักษาตัวนี้เลยโลกขึ้นมา โลศาสนาโลบุญบาดนี้เมื่อลู่จังสี่แล้วบานนี้หันมาบำเพ็ญทางคิดอันไดลักฐานอันใด้บัดในลักฐานถูกต้องบ่อั่งเลบ่งสงสัยแล้วบัดคายคายข้าพเจ้าลักฐานที่วาไปบางหันละยืนยัดแล้วบัดทําอันไดเสื้อมันตัวเองบ่หลงบ่ลืมจันสี่เป็นอันใดเกิดขึ้นมากือลู่ยิ่งเห็นจริงมาบำเพ็ญทางคิดมีสติดูคิตบัด ตะกี้ต่กอนเหตุใหม่ๆจะไปยุ่งกับมันเรื่องกิดเรื่องใจให้มาสสั่งให้เห็นกายตะกอนให้เห็นกายอย่างเดียวตะกอนมันนังเห็นอยู่หรอกกิดนะแต่ว่าจะไปยุ่งกับมันเหตุใหม่ๆเหตุเบิ่งต้นอะไรก็มาบำเพ็ญทางคิดมีสติดูกิดเฝ้าเบิ่งความคิดว่าจอบเบิ่งกับอะไรจอบเบิ่งความคิดคือว่าคันจอบเนี่มันเห็นเนี่ย มันไปจอบมันไปเห็นเนอะมัคือเขาจอบเบื้งคนมันลักป่าลักไส้ลักบักหมี่ลักบะ่วงนี่แหละเขาไปจอบเบิ้องเขาสะเห็นโตขีกกระมวยเลยแล้วเขาไปยืนทกทนทุกท้ทกทอยยู่นั่นเขาก็บบอเห็นแล้วจับขีกกระมวยบปได้เขาจอบเบื้งมันจะเห็นเลยบันตรแล้วมันจะคิดพักหน้าโอ้เห็นความคิดเจ้าของด้วยบัตรหลวงพ่อเห็นขาขักเห็นความคิดเจ้าของรับรองว่ามันหลอกหลวงพอ่อไปได้พุณอัลต่ปีหาลอย สิบุ่นเห็นความคิดนี่คักปั่นยังบอลหลอกบอล่วงลงพอได้มันจะคิดทีงไหนเห็นมันเห็นคักเห็นแน่เห็นความคิดเห็นขี่กระโมยเห็นโจนเห็นผุนลายเห็นตะปีพุ่นล่ะเมื่อเห็นมันมันจํานุบนไปมันจํานุนต่อหลักฐานใครใครก็ห้าวจับได้ไล่ท่านตัวขี่กระโมยเนี่ยมีหลักมีฐานอสามารถที่จับกุ่มครั้งได้ เบื้งความคิดมีสติดูกิจหลงพ่อยายหลงพอเทียนพันวาความคิดเหมือนกับหนู <c oughs> ตัวสติเหมือนกับแมวมันมคิดว่าบดไดครูปรับตัวแมวหนูแมวกับหนูมันเป็นศัตรูกันเลียงเรียงแมวบดได้บอกมันไปจับหนูดอกรวาเลียงแมวว่าจะเรียงให้มันใหญ่ท่าทีของมันมันเป็นไปเองที่เรียงแมวให้มหน่ก็คือสั่งสติ เห็ดดูดูเอาข้าวให้กินดูดูเื่องเลี้ยงแมวเอาข้าวให้มันกินดูดูมันหั่งใหญ่เขาหมั่นดอกกันมันใหญ่แล้วมันหั่งนาทีเขาหมันมันหั่งไปหายจับโนเลยแมวเป็นหั่งสั้นสติของเขากันละถ้าเลี่ยงดูดูสั่งดูดูดูยกมือดูดูเดินจงกมบัดได้โลบัดนั่นยกมือบัดได้โลบัดนั่นเนี่นะ ในว่าแมวมันสีหญ่สติมันสี่ไ่ขึ้นมามันก็ท่านความคิดมันมันท่านความคิดหนูตัวน้อยหน่อยอหนูตัวใหญ่แมวตัวหน่อยบางทีมันก็ถูกหนูพาไปความคิดพาไปไหลไปเขาบานเขาเลี้ยนหาหลูกหาล้านหาผัวหาเมียอาทนังอยู่นี่มันไปใเในบูบุ๋วลนว่าหนูมันตัวใหญ่แมวมันตัวหน่อยเมื่อท่านมั่นจึงมาเบิงมันสะบัดเนี่ยแต่มันหลุดท่าน เมื่อมันรู้ท่านแล้วมาันก็อยู่ในกัมมือแล้วแนวกําหน่หน่อยหนึ่งกับบมี <c oughs> อิทธิสารภาพเ <c oughs> บิรอิสารภาพตัวนูนอยู่ในกัมมือง่ายที่สิบเคิดแล้วบันตัวหลักคิดเลยบอมีบอม่บันความคิดเขาก็ท่องมีอยู่สองอย่างอันนึงมันหลักคิดแน่นบออันนึงมันตั้งใจคิดอั น, น, นตั้งใจคิดนี่คนเขาท่องบกใครบกครอยากบ่ครอยาก ค, ค, ค, ค, ค, ค, คิดตอก ทั้งคิดเล็คิดแต๋นบ่านคิดบัญชีอย่างต่างๆมันมันยากมันบ่อยจะคิดดอกอันตัวลักคิดนี่ขยันย่ำรับย่ำนอนมันก็ลักคิดไปบ่อยจะคิดมันก็คิดทางเที่วคว่ำเกาควมหลังความอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตเที่ยงบ่บ่เหมือนกับพูดหลงไปหมดเลยไปคิดเรื่องอนาคตไปคิดเรื่องอดีตทั้งเที่มันผ่านมามันลักคิดเมื่อเฮามีสติดีๆนี่มันบอมีตัวลักคิด มีแต่ปกติภาพธรรมดาเป็นปัจจุบันตัวลักคิดที่มันไหลเนี่ยมันมีแต่ๆแล้วแต่นนีเป็นเป็นเฉพาะเป็นระเบียบดีดีคณทรูท่านมันแล้วตัวลักคิตตัวผีหลอกมันมีหรือเล้วดอกเหตุอันใดก็อยู่บนหันทำอันใดอยู่บนหันจนลู่เรื่องไปเออเมื่อมันบนลักคิตมีอันเดียวเป็นระเบียบมีอันเดียวเป็นระเบียบมีแต่ เฉพาะเฉพาะเรื่องเียมีระเบียบดีดีตัวธลรกิดมันแบบไปมันก็ไปรูเรื่องสินจันทุกวันนี้โอ้ภาวะของสินนี่คืออันนี้เด้นี่นเป็นระเบียบเรียบร้อยสิไปผิดสิไปทุกยังได้คนมีสินีจนมันคิดตัง้งแต่เราคิดแล้วมันสิไปพูดมันสิไปทํายังได้ไปเห็นตัวนี้หลวงพอเห็นตัวนี้มันมีแล้วจังคอยเห็นสินนะพอแม่ไปเบอกต้องสินกอนต้องสมาธิต้องปัญญา เคยจังสำนักปฏิบัติเทียงกันอยู่สยเสมอพอเทียงกันจังอาจารย์ท่านโพธิลักว่าเจ้าคุณพุท ธ, ธาทาท่านพุท ธ, ธาทาสอนผิดเอาของที่สอนทีหลังมาสอนก่อนเอาของที่สอนก่อนไปสอนทีหลังยุ่งไปหมดมันต้องศีลกอ่อ น, นอ้าวจันไร์นอหลวงพ่อก็คือจังวาจันทร์นอนที่จริงมันไปเห็นก่อนศีล ว่ามันสอนให้หูเลยไปเห็นด้เห็นหลุด่นได้โอ้เมื่อมันโตหลักขิดก็มีแล้วสติหลายขึ้นยึดอำนาจของความคิดได้ฟ่องได้สติเป็นตุลาการที่ภาคสานักแนนยืนหยัดในความถูกต้องเห็นตัวนี้แล้วจิตใจปกติเฉพาะเรื่องเป็นระเบียบเรียบรอ้อยสิสร่างงานทั้งกายทั้ง ว่าจาคุณมันกันออกมามันกล่องออกมามันก็เลย่ผิดศีลเถิดโอ้ภาวะของศีลคืออันนี่นด้เนี่ยใช่ไหมเนียศีลตัวนี้เป็นอริยกันมตัดศีลบ่าม่นศีลหาศีลสังคมที่ต้อรักษาอยู่ตรงกันเมื่อตัวนั้นมันดีแล้วบรต้องมารักษาตัวพีเราต้องการรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยที่ว่าศีลมันมันเราไม่ยตัวพีเดี๋ยวนี้บวชตักายเราแม้หอดใจคนไหมเรียบร้อยไหม แต่สมมตว่ามารักษาไก่ถ้ายังคิดอยู่ยังบ่ยังบ่สมบูรณ์เลยสินที่เก้าสู่มักสู่ผลเนี่ยเพรมันสินอันมูนี้สินสมาธิปัญญาพุ่นสินสิกขาพุ่นอริยกันต์สินพุ่นเพราะฉะนั้นพระเน้นญาติโยมไม่สินตัวนี้เสมอกันอันสินทีวรักษาอยู่ในสินหาสินแปรสินซิปเพื่อเป็นสินที่รักษาเพื่อยูน้ากันเป็นกฎหมายถ้าใจยังบ่ดีก็ยังผิดอยู่แล้ ยังไม่ถุนสังโยชน์เพียงแต่คิดซื่อๆก็ผิดสินแล้วไหมคิดถึงการเก่าอาดีตที่เคยหัวเราะที่เคยเล่นกันมาตัวข้ามที่เคยเว้าเกี่ยวกันคิดเท่านั้นก็ผิดสินแล้วคือว่าดางแล้วทะลุแล้วไปมักไปผลบ่ใดต้องขอเห็นตั้งสี่เท่าเห็นตัวพูนเห็นโตสินโตพุทธบริขบรบด้ขอก็พุทธใดตัวนั้นสินในบริขรนะพระกรให้สินบ่ใดเนย บ่แม่นสิวาขอสินนำหลวงพ่อหลวงพ่อบ่แม่นสิแตกสินไดสินชิกสินธรรมดาก็เป็นสินสมาทานสินชิกขาสินอริยกันแต่สินเป็นสินที่ไปพบไปเห็นแล้วบ่แม่นสมาทานมันมีสินตัวนั้นสินรักษาห้าวันบ่แม่นรักษาสินเด้เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเข้ามารักษาสินนะอันนั้นมันเบาภาษาหนึ่งถ้าสินที่จะไปสูมักสู่ผลที่เป็นสีเลนสุขติงยันติสีเลพอกับสัมปทา สีเลนนีพูดติงยีนติงไปสูงหมักสูบคนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตัวนี้เมื่อไปเห็นคิดใจที่มันคิดตัวหลักคิดมันเบิดไปไปพบกับสิทิ์แล้วมันโอ้ยบริสุทธิ์ผุดพองอยู่จังไดกับปกติผาเปลี่ยนสันอยู่ในบ้านอยู่ในที่ลุมอยู่ในป่าในดงอันใดก็เป็นอยู่จังสั่งสินตนะ้บ่เสื่อมบอ่อสูญบอ่บอผิดบ่อผา มันมีจริงเป็นอัตโนมัติตอนนั้นมันมีมันเป็นนะไปเห็นต่นนั้นโอ้เน่ยเด้สินตอนนั้นมีแท้ๆไปสมาธิกหมายถึงจิตใจที่มันหูมันเฉื่อกมันบกพยชน์มันเป็นระเบียบโอ้สมาธิปัญญาอยู่น้ากันเป็นวัดเป็นจักแข่งธรรมว่ามันเป็นแถวคือเขานั่งอยู่นีนเด้อันนั่งอยู่เป็นแถวว่ามันได้ไง ม่ันเป็นศีลสิเป็นแถวองศ์นี้มันเป็นวัฏฏะมันเป็นจักแห่งธรรมฟันฟ้าคว่ำถกโยบได้จักแห่งธรรมคือศีลสมาธิปัญญารูเรื่องสมมูรณรูเรื่องบัญญัติรูเรื่องปริมาณเห็นเมื่อเข้าเมื่อมันฟุกหรือมันมันมันไปจนจบมูจบหมวดคนเดียวอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์หนึ่งมันสีเห็นตะเกีย จะหลูบนำหลูบทุกน้ําทุกหลูบโลกน้ําโลกหลูบบนหลูบบาบหลูบศาสนาอารมณ์ที่หลูบสมมติดูงวัญญัติอารมณ์สองมันจะไปหลูวัตถุปรมัตอากาศวัตถุปรมัตอาการที่มันต่งกันมันสะเห็นไปพุ่นเห็นวัตถุก็สมมติจังตาจังลูกจังน้ําก็เป็นประมาทขือนมันก็จะยืนยัดเป็นตรรกฐานเบื้องต้นไปแล้วไง ฟ่องไปฟ่องไปเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดเห็นตาเห็นหูเห็นจมูกลิ้นกายใจลูกพลดกินเสียงมันสิ่เป็นวัตถุมันก็มีอาการที่มันสิเกิดได้ขึ้นมาอเพราะเหตุเพราะปัจจัยต่างๆเขาบ่ได้เป็นตีพุ้ยตีพ่ายว่โชคบ่ดีเคาะหล่มันสิบ่มีหรอกเสือผีเสือสางเสือหลุดเสืองามย่ามดีต่างๆมันสิบ่มีเลยมันเห็นวัตถุประมาตทอาการเหตุปัจจัยต่างๆมันเกิดขึ้นมา ต, ต่างๆคือจังหลวงพ่อปีหนึ่งกระดานคืนกระดานสาลา่ากระดานคุติผ้าหักโต๊ะลงมาดูคางหักสองสี่ไปรักษาหลงพยาบาลชาวบ้านที่มาส่ขวนให้หลวงพอ่อว่าผูแขนมาเอิ้นควนกันก็ต้องผูกก็ต้องผูกขวนหลวงพ่อบุณิยไปใสยยอยู่นีแล่ะโบแมนคอปแมนเข็นหลวงพ่อไปยืนจะแป้นมันผูกแป้นมันกรหักเหตุปัจจัยมันโยผุน่นโ่แมนคอปแมนเข็นมีอะไงมันสีเห็นไดมันสี มันสิผอมบ่ได้ลังเลสงสัยเรื่องทีเรื่องแางเรื่องหลึกนะมันยางดีบ่ได้เสวะทิย์จันทร์ดังขั้นพุทธประฮัตสุขสาวันอคำหนึงส่างแก่กันสู่ห้องคำสองคำถีฟังคำภาษาสามคำหลังเมื่อทาค่อยจินทิศพุทธเถ้าสุกเสาวง่ายแเจริญติธรรมลาธรรมลาขาวาวันมันบ่เสียบั่มันเสียเหตุปัจจัยั่เพราะรู้จักวัตถุประมาตอากาศเคลียวฉลาดเกิดขึ้นมาทันทีบ่โอ้ ปานนี้มันลูกแกงเลยเว้ยลูเ ก, ก่งแท้แทเหตุปัจใจลูกแกงแท้โบกของโแวะพ่อมที่สิปสิเปื้องพร้อมที่สิลุดสิพลเห็นไหมว่ามันของที่ว่าเหตุซื้อๆได้เนี่ยเอาเห็ุอย่างนี้นไปพุ่นแท้ๆผ้าไปสู่มักสู่ผลแท้ๆเข้าใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอเรื่องมักไปจบลงน้องทิมมักอารมณ์สอง มักไม่สันวันมักขึ้นอยัางมักขึ้นดูมักคึ้นเบิ้งปฏิบัติมักเป็นทางออกจากทุกข์หลวงพ่อไปเทศใช่เนาะโอ้ไปเทศในอบรมนักเรียนลอยเอตวิเทียร์ไล่เขาจะว่ามักขึ้นขนทั้งใช่ไหมหลวงพ่อว่าผิดเด้ใช่ไหมหลวงพ่อว่ามักคึ้นเบิงโอ้บ๊ามีนบ๊ามีนใช่ไมเขาจะว่ามักขึ้นขนทางตัวหลวงพ่อใช่ไหมบ๊ามีนอยู่แต่นี่แต่ทางครับเพาเบิ้งมันจิตเห็นมันจิเดินทางถูก มักคือเบิงมันทุกมันสุขมันดีใจมันเสียใจมันคิดมันบกคิดเฝ้าเบิงเบิงตัวเบิงเนี่ยนะเป็นเป็นการประพฤติพุทธมจรตัวนี้นี้ตัวเบิงเนี่ยบ่าเป็นไปน้าเขาเป็นผู้เบิงเป็นผู้เห็นบ่าเปะ๋าเปื่อนได้ไหมเปื่อนที่สุดยู้จังสันมันทุกเบิงมันมันสุขเบิงมันทุกข์กายเบิงมันมันจะทุกข์อะไรมันจะเป็นได้เบิง ดำเนินอยู่ในอง์มัดขั้นถ้ามัดเนี่ยมันก็ย่านมันก็ลดกับเรื่อนงอะถ้าถ้าเดินอยู่นี่แล้วนั่ไปมันก็เฮ้าสีไปสู่ทิดไดทางไหขึ้นลถให้ถูกเส้นถูกสายมันก็นั่ไปรลมัดคือเบิ้งคือดูหัลังคนมันไปตันเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติมันสุดมันสื่ออยู่เห็ดเพไปนามาหลัง อาจีพเป็นกับคนบางคนผู้ที่เคยปฏิบัติมาโดนอจังหวะกันกับนักปฏิบัติขึ้นนี้ยเฮ็ดไปเฮ็ดไปมันซื้อๆอยู่ลงพอจใช่ัหนมันคือกันกับสิบเบ็ดบอสเยียเนี่ยบดตอดหมกหมกแมกแมกจากน้อยซื้อๆก็ๆเลยบอกว่าตองลำดับลำดับทบทวนถ้ามันเป็นเช่นนั้นทบทวนมหาลูมหานามไล่ไปลำดับไป สาธยายให้เจ้าของฟังพอที่มันห่วนมันดวดคล้ายๆกับรถติดต่มันอยู่นิกเจียงเสินเลยแต่มันอยูสิบเืนเมื่อไรก็ถอยหลังเสินโต้เพื่อพุ่งใหม่เพื่อพุ่งให้มันมีกำลังขึ้นมาต้องคอยให้จีงเสินเนี่หลัมดับเรื่องอารมณ์หลักฐานเบื้องต้นรูปท่อมน้ำท่อมไลไปสาธยายว่ามันคิดเด้เนี่ยสาธยายอันที่เห็นมากของกิ่งยืนยัดไปเลยๆเลยเลยไปจบจบวันใด หวังที่มันพุ่งไปเปลี่ยนไปกี่กตจมันเปลี่ยนไปมันเห็นแจ้งมันมีกําลังมันเปลี่ยนไปมันไหลไปกําลังมันมีเพราะฉะนั้นอารมณ์ของห้าเนี่ยเท้าเบิ้ง้วยมีศิลปะดีๆมันให้มันหัวนมันด่วนแม้แต่ความรู้ก็ใย้มมันหัวนมันด่วนความบัลูนก็ใย้มมันหัวนมันด่วนความทุกข์ก็แย้มมันหัวนมันด่วนความสุขก็ให้มันหัวนมันด่วนแย้มมันแย้มันชัด ใจมันชัดจนถึงกักบสายจัดหัวจัดควบลู่กันไปยิดดีประมานเด้ที่ควมถูกเนี่ยมันสีมีอันหนึ่งโย翰ท้าวาบังดีดีอาจฉริหัวเราะควมถูกได้ควมสุกอยู่หันถ้าเวาบังดีดมันสีหัวเราะควมสุกได้ตัวนี้ได้พ่อมาจัดบ่อ เ, เ, เป๋บ่อเปื่อนเพระควมถูกควมสุกบ่อเป๋บ่อเปื่อนเพราควบลู่ควมบ่อลู่เนี่ยเด้ยู่นี่ยนยนอยู่ปลอดภัยแท้แท้เบิร์นโยวันนี้เด้ เขาใจเห็นแท้ๆเห็นชีวิตเท่านี้หลับลองยืนยัดความรู้เจ้าของใส่ได้เฮ็ดจังสี่มันหลุดมันพลดออกมามันเจ๋มันไข่สูตรแจ๋สูตรไข่สูตรผูกมัดหลัดรึ่งมันเห็นมันเห็นเห็นกับตัวกับตนเห็นกับคิตกับใจเท่านี้เฮ็ดจังสี่หลุดออกมามันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมันเห็นแท้ๆเพราะฉะนั้นเมื่อเขาปฏิบัติไปมันไป เครียดความเครียดความอึดอัดคัดเครื่องหมด น, นียมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ห้าวแก่เดิเพรามันให้ห้าจํานนต่อมันนด้อ ย, ยาเฝ้าเบิดเนื้อเบิดตัวเพราะอาการแบบนั้นอันใดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพยามมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ห้าวแก่เพื่อให้ห้าวแก่ไขความบอลลูมันเกิดขึ้นมาเพื่อเห้ห้าแก่ไขความงซุกก่วงถุกอันเท่าบางดีๆมันมีเงินอยู่มีเงินมีปุ่มมี อบอนเจ่บบอลปดอยู่ไอ้ไข่ครับเขามีไอ้ขีบสาัางสอมเครื่องยโนตโน์กลไกลสอนวิทยุทกเทคโนโลยีต่างๆมันมีเงินมีช่องอยู่เออดไปให้มามันเจ็ได้ข้อมผิดค้อมเสียมันแก่ให้บอ่อเสียได้อันชีวิตของเขาคือกันแล้วมันบอ่อจนกรอกด้วยถ้ามันมีตั้งต้นจากการจเจริญสติมันบอ่อจนกรอกมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ จนในที่สุดมันจบเป็นเนียชีวิตของคนเอกการศึกษาทำมาลักสูตรแต่นเนี่ยมันจบเป็นบอกก็เรืเหตุไทยเห็ุหน้าเฮ็ดบอลหล่าจากเทียเห็ุหัวเหตุสวนธรรมะหากินอันนั้นเหตุบอแหล่าจากเทียต้องกินต้องใส่ต้องหาต้องอเบิร์ติตจังสัตวอันส่วนสูตรของศาสนาที่เป็นพุมธาจริมันจบเป็นมันจบเป็น มันก็ฮู้ไปด้วยมันฮู้อารมณ์ที่สองคิตใจมันเตียนไปคิตใจมันเตียนไปมันเบิดไปเรื่อยๆลู่อันไหนรุดพ้นอันนั้นไปเลยมดพลาไปมดพละไปมันโค้งเลื่อยไปเลื่อยไปบัดสุดท่ายมันไปลู่พ้นมันไปลู่น้ามานลู่ตั้งแต่อารมณ์หนึ่งถึงอารมณ์สองอามณสามเป็นลู่หน้าธรรมดา เห็นเหตุเห็นปัจจัยทั้งเมดอเ่อไม่มีบรลลบบัลซอนไปเห็นหน้ามะลูอาการเกิดดับของหน้ามะลูอันนี้สำคัญเด่นหลวงพ่อเว่าไปวาไปเพื่อให้ชี่แผนทีให้เขาได้รู้จักมันไปดูอาการเกิดดับของหน้ามะลูหน้ามะลูท่านบ่อด้ออกจากท้องแม่อันรูปหน้าเนี่เกิดทีเดียวแต่หลวงพ่อเกิดไไในเราเกือบหกสิบปีเลย ันนามันลูบมันเกิดโมเสาไปเห็นตัวนี้เห็นตนเห็นต่ อ, เ ห, ตอเห็นเหตุเห็นปัจจัยตัวนี้อาการเกิดดับของหน้ามันลูบหมายถึงตัวไหนโตขันหาตัวนี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวไหนที่มันหน้ามันลูบมันเนลูบหน้าเลยอันเวทนาสัญญาสังขารของลูบหน้า ม, มันก็เป็นธรรมชาติมันมีเพื่อรักษาตัวมันให้มันอยูดายอันที่หลวงพ่อได้ว่าให้ฟังแล้วส่วน หน้มามรูปที่มันเกิดจากอายตนะเกิดบ่า น, นี้่มันจิเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาทัานทีไปเห็นแจ้งตัวนี้แหละหลุดเลยหลุดเลยเลยเบิดเหนือเบิดตัวอาการเกิดดับของหน้ามรูปลักษณะที่บอเกิดบอกแก่บอกเจ็บบอกตายมาเห็นตัวนี้เด้กตัมรรคตัวผลมาทำลายตัวนี้ตัวหน้ามรูปนั้นบอม่แล้วการเกิดเจ็เจ็บ เกิดมาเพื่อสิมาเห็นตัวนี้เด้ไหนคันเกิดมาแล้วพอเห็นตัวนี้แล้วเสียแท้ๆเดี๋ยวนี้เขามีแล้วเดี๋ยวพามาสั่งมงดูมีอยู่หมักผลนีไมีอยู่บม่ได้เชื่อมในสวนไปสิไรวิธีที่เขาสอนกันอยู่เดี๋ยวเนี่ยว่ามันสอนปลาปลาดอนดอนนั่มไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นมรดกของเขาทุกคนที่สามารถทําใดเหตุไดอยากจึงมูลงคอ คนพอคู่มีหลายรูปที่ได้มีประสบการณ์เรื่องของกรรมฐานอุทิศชีวิตเพื่อสอนญาติสนยมแล้วนี้เรื่องอื่นเนี่ยเขาสอนกันสักในมลรรคอริสอนเรื่องนี้เรื่องกรรมฐานเรื่องกรรมฐานมันลุดมันผลแท้ๆโบต้องถามแล้วว่าตายแล้วที่เกิดจังไรนรกเป็นจังไรสวรรค์เป็นจังไรบ่ บ, บ่ต้องถามเดี๋ยวนี้เขาก็หลูกอยู่แล้วได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วว่ามันตายแล้วยังค่อยสะเอา บุญกับว่ามันตายแล้วจังค่อยเสี่ยวบาปกับว่ามันสิบไปตกนรกเขาเห็นแล้วเห็นทุกทุกมันอยู่บ่ได้ตอนนี้เด้ศาสนามันอยู่บ่ได้มันก็เข้ามั่งเห็นมั่งซานไปอันที่มันบ่ามันสมบัติของเขามันอยู่บ่ได้เป็นโง่เป็นหนูสัตว์ต่างๆมันอยู่บ่ได้มันหนีออกไปมันกระโจนออกไปหลดตัวสติสมัญชัญญาตั้งต้นจากนี่แหละ ตั้งต้นจากสติสัมภัญญะเป็นกำเนิดของมรรคของผลเป็นกำเนิดของศีลของธรรมทั้งเบิดถ้าพ่อตั้งต้นจากนี้หลวงพอบองโหนะแมนกรรมฐ า, านแบบได้กระตา่างหลวงพอบองโหหลวงพอ่อเหตุมาแบบพุทโทษแบบอานาปานาสติหายใจเขาว่าพุทธหายใจออกว่าโท่เหตุมาแล้วไปลงไปผลลงไปในเครื่องร่างของขังไปผลทำไมก่อนได้นิมิตเห็นนิมิต จำคนหลวงพ่อพระคู่คนมาเห็นไปพุ่นตะก่อนเลยนี่มีดเห็นนิมีดเสื้อเห็นเรื่องแควขาดอกองกระพันอยู่คนหาลังเทียบริกรรมคาถาต่างๆเฮ็ดให้นังหนาเผื่าบริกรรมให้นังหนาคู่อาจารย์บรรสอนคนทำบริกรรมไปบริกรรมไปนังปันหาพราะมันกับเล็กกับขงังหันเป็นยังสัน่นให้เล่นต่ำ ม, มีดหลดนห่นแล้วไปย่านเผื่อบรนสอนยังสัน่นไปบริกรรมพุดโถเลี่ยนแบบพุดโถ อันเท่ากับเบิ้งทั้งในเบิ้งคิดเบิ้งใจรักษาคนป่วยไปผลหาอยู่หายจินออกคนออกลูกอกอกเต่าไปสันตะกอนต่ก่กอนเป็นหมอเป็นสันเป็นการบริกรรมเห็นนิมิตไงสันลงไปผลแบบพุทโธหลวงพ่อลงไปเพราะเราบสอนมาผิดเลยไม่เห็นหลบเห็นนาเลยเขสอนเห็นหลบเห็นเห็นนิมิตไปผลเรื่องแคลค่าดคงกับพันเรื่องอี๋ยังต่างๆไปผลเป็นหมอเป็น ทายาทศาสตร์ไปทั้งคนเสียมั่นจนยึดเป็นอาคีพหาจินนําคนป่วยคนเย็บคนไข่เป็นสันคนตายคนเกิดก็หาจินน้าคนตายก็หาจินน้ำนปนเไไป็งสันคนป่วยก็กหาจินน้นาพวกไปยังสันสมัยก่อนว่าเจ้าของเป็นผู้วิเศษว่าเจ้าของเป็นพุทธีแม่มาปฏิบัติธรรมะกระหลงพอใหญ่หลงพอเทียนคิดว่าสีได้ฤทธิ์ได้เดชสียางขามแม่นม้ำคงผมได้คิดว่าสีเหตุมันค้ า, าสี มัต้องขี้เลือดสิเดินขามแม่น้ำคงคนบัดทีแทะก็มาเห็นแล้วโอ้มั่นหลุดจบแต่แทชีวิตของออนว่าเป็นเรื่องอื่นเรื่องบอมีทุกเนี่ยนี่เรื่องเท่านี้เรื่องธรรมะอันถ้าเบิรดทุกแล้วก็จบล่ะอย่ามีทุกเอทุกเป็นหลายอย่างทุกอริยสัจอันทุกกายเนี่ยมันมันบอเบิรดดอกมันกายต้องกินต้องหายใจให้มั่น ต้องนัน่ต้องยืนต้องเดินต้องกินขา้าวต้องขับต้องทายต้องหายใจต้องพิบตาอันตัวรูปเนี่ยส่วนใจที่เป็นทุกฤษสัตว์นี่บ่มีแท้แท้เบิ่ดอดหลอดเบิ่ดอดกอกเพราะฉะนั้นให้ลูปให้ให้ค่้ำให้ค่้ำหาทิศทางเมื่อเข้าปฏิบัติไปมันไปจนกรอกกับมีให้รังเทีย scale. มันเป็นอะไรขกินมากหรอกหาวิธีแก่มันให้ได้มันมีอยู่หันละศิลปะมันมีอยู่คุดออกมาคุยออกมา มีสติเข้าไปรู้ไปเห็นมันนั่งเปิดเผยออกมาเยี่ยมออกมาให้เฮาเห็นอยู่แล้วจึงวิธีปฏิบัติเขาเนี่ยวิธีทาอยู่เนี่ยทำมชาชัดเนี่ยมันสื่อสอนเขาบ่ณฑิตหลวงพ่อสอนบัณฑินพระพุทธเจ้าสอนทำมาชัดมันมีอยู่ในเฮาเน่ยมันสิสอนเข้าไปสอนเข้าไ ป, นไปจนบ่มีแนวลั่งเล่สงสยัยจบสิ่นในความรู้ในชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันเป็นอยงนั้น เพราะฉะนั้นนะสลงพอยืนยัดที่สุดการกระทําที่เขาทำอยู่เนี่ยขอให้มีสติฝึกไปแล้วไปทำโยชไสกัให้มันมีเหตุให้มันมีเหตุให้มันเป็นเพราะมันสี่เกณฑ์ในชาตบ้านญาติโยมมายวัดมานอนโยวัดจึงสี่ตลอดไปเมื่อฮัดละเมื่อหัดเป็นแล้วมันก็เอาไปใส่โหลดเข้เาไปเลียนหนังสือนี่แล้วเอาลงเลี่ยนกับไปหัดเขียนกอไกล้กอกาเมื่อเขียนได้แล้วอ่านได้แล้วอ่านออกเขียนได้นําไปใส่โหลดโยชัสกับใส่โหลด อันนี้คือการนั่นแหละกลับไปบานไปเลื่อนเฮี้ยนไปสั้นห่าที่รับสีนอนสิกวดบานล่างถวยซักผาที่ว่าสีจากับหลู่กับล้านสีกระทบกระเทือนเอาไปใช่รถี้มีสติหลู่ซึกระลึกได้เนี่ยใส่ได้ใส่ท้าไดแหงหลายแห้งใส่แห้งหลายอันบันใส่มันเบิดมันเสี่ยงใส่ให้มันหลายรักยาวให้สัน่นลักบันลักยาวให้บัน่นรักสั่นให้ต่อใส่ดูดู มีอย่งเกิดขึ้นมากันลู่ซึกระลึกได้สีย่างสีเอือบมืออไปทางใดมาทางใดให้หลู่ซึกระลึกได้ลองเบงฮัดเหามันสีขีน้นสีเคยเป็นนิจใจเป็นปัจจัยสีบ่หลงน่ะอ่ามือมันนี่เหล่าก็นนัเข้าไปที่แรกกะหาไหวล่ะเก็บตะกอนอ่าสัางซะกอนเออแต่มันนี่ตะกอนอ่าเข้ามาสัางอันนี้แหละ น, น, นั่ไปบานีกลับไปบานไปเลื่อนไปซ้านเบิงเจ้าของ เห็นเจ้าของมันสิฮักมั่นสิสร้างเบิ้งมังม่นมันอยู่นําเข้ามันไปหาคนอื่นได้มันธรรมชาตินี่มีอยู่กับเข้าเมื่อถูกคนเอาละอของคอก็ได้ว่าวความจริงที่มันมีอยู่กับเข้านี่ให้ฟังนําไปศึกษานําไปปฏิบัติเบิง้งเป็นจังไดบอกข้าใจจังใดถามเพิ่นอยู่นี่ก็มีพระหลูกพระล้านที่เพิ่นเคยประสบ ก, การณ์าเ พ, เพิ่นพระคู่ พระพุทธอาจารย์ประสิทธิ์คุณวอนมีประสบการณ์พ่อแก่พ่อไข้พ่อหลูจักแทนทีได้หลวงพ่อกาบสากับพ่อสิเป็นทีแก่ที่ไข้ให้ได้บอ น, นําไปสู้อันที่พิษที่ผาดประชนานกาันเอาละัญญาตโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมากปฏิบัติธ ร, รมกรรมาฐานสละความสุขความเห็น ความสะดวกบางอย่างในทุ่มเทศชีวิตมาประกอบคุณงามความดีทำบุญจินท่านรักษาศีลได้ก็ตามขอให้คุณความดีทั้งหลายนีย่ร่วมกันเขาเป็นตบะเป็นเตชะเป็นพละเป็นกำลังให้เกิดสติปัญญาเขาสู่มักสู่ผลอันเป็นที่ดับทุกข์ด้วยกันทุกๆคนเถอสขณะที่เขาเป็นเวพุบริสุทธิ์ มาทำจิตกลับรวมกันทั้งพระสงฆ์ อ, อุบาสกบาศิกาศึกษาประธรรมคำสอนรับผิดชอบเอาตัวเฮาเข้ามาศึกษาศึกษาของจริงเอากายเอาใจสว่าอันใดมันเป็นธรรมะธรรมะอะไรฮะได้เรียนได้อ่านได้รู้ได้ยินได้ฟังกลัวนรกอย่าได้บุญนะกลัวบาปหย่าได้มีความสุข นับถือพุทธศาสน า, ออนน ส, นสนาเพื่อนะไรศาสนาเพื่ออยัางบุญเพื่ออะไรบาปเพื่อนะไรกุศลเพื่ออะไรมาผลเพื่ออนไรที่ที่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับที่เขานําคือศาสนาถ้าเขายังบวโลไปเสียทีแหพราปฉะนั้นชาวบ้านนองกุ้งเข้าเนี่ยนี่ความรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นบัฒนาธรรมประจำหมู่บ้านชุมชน ล้วก็เป็นโชคดีเหลือเกินที่พ่อเข้าชาวบ้านเป็นวัฒนธรรมเมหลูกสงที่เกิดในวานวานในสวนวอากาศอ่าโยมชาวบ้านเท่ากัก็เป็นโชคดีเหลือเกินที่รับผิดชอกประถมคำสู้ทุกทุกอย่างสางวัดสางว่าบทลูกบทล้านทำบุญกินท่านจนอดทสมบูรณ์บกขาดตกบโกของ เห็นมาตั watering, ้งแต่โดนๆนั่นๆแต่บรรพุรุของเข้าแต่ลงกู้คนสั่งมาตั้งบ้านน้องกงเข้าคนแต่ในขณะพุ่มใจนั่มญาติโยมชาวบ้านเห็นลูกสงฆ์สงฆ์ที่เกิดในวานบ้านในสวนแต่ลวนแตะเป็นทีนี่ใจที่ฟักไฟเอาใจใช้ในการศึกษาจนในลูกแก้งเห็นจริงจากพนกน้ำมาเสื่อมมาสอนเสียงเสียยากอ่เด้ ยากทีได้ย so so er ินได้ฟังยากสีได้ปฏิบัติยากสีได้รู้เขาก็ได้ทําแล้วเป็นจิตกรรมอันใหญ่จิตการของระศาสนาเช่นเดีฉวนั้นเขาจะมาศึกษากันตีละเทียสองเทียปจะอบรมภาคปฏิบัติแต่ว่าภาคกรรมฐานเห็นกําเนิดของศาสนาพุทธศาสนากําเนิดเกิดขึ้นเพราะการทำแบบนี้เพราะมันไป็เหตุแบบอื่นมันเถอะ ามาศึกษาประวัติศาสนะลองเบงดูก่อนที่เป็นพระพุทธก่อนจะเกิดพุทธศาสนาขึ้นนี่บุคคลเพียงคนเดียวรับผิดชอบต่อมนุษยชาติในคนคิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันในศึกษาหลายแบบหลายวิธีพราะาจำน้นต่อหลักฐานที่บรรพรลุธธมา่าผ้าบวงสวงอ่อนว่อนผ้ า, าวายผ้าวอนอันใดต่าง เมือเ่อเหตุอันใดก็เบิดแล้วเบิดแล้วยั่งบอหาค่ายความสงสัยกาทรมานกายทรมานตัวจนพร้อมโซ่เหตุอันไดก็เฮ็ดเบิดมาดันสุดท้ายมาเหตุแบบเข้านี่แหละมันนั่งมานจะเลื่อนสติปัฏฐานสติปัฏฐานสติที่โตตอบพักท่วงความคิดการอา่ากายของเข้าให้รู้ซึกระลึกได้ จะเข้ามาสากสติมันจะวันไหนว่ามันเป็นดุนเป็นกอดว่ามันไปหาซื้อหาขายเอาว่ามันเป็นแหลกไปเปลีป่ยนขอใดแหลกใดซื้อไดเป็นการเฮ็ดเอาสร้างเอานจะเข้ามาเห็อยู่เนี่ยเอากลายเป็นลักสูตรเอาใจเป็นลักสูตรเอาสติเป็นผู้ล่งเวทีเอากายเป็นสนามเอาใจเป็นสนามสติเป็นผู้ล่งสนามแต่ว่าเ ข, าขา่าค่ายปลึกฮัด มานาันังยตัตตนโพธิตนโพธิขึ้นปัญญาโพธิคือสติปัญญาเนี่ยแหละตนโพธิยันนี้จากวันนี้เป็นว่างกันข้าพเจ้าสิบากบนี้จากวันนี้แมเลือดเหนื่อเงยเอ็นกระดูกสีผูพังไปซักปันญกาก็ตามจากบนนี้จากวันนี้โพธิโพธิมันตนโพธิหรือได้อันนั้นเป็นปุคลาธิฐานอเป็นธรรมธิฐานกันนี่แล้วสติสมาชัญญาตัวโพธิ เป็นจึงว่าสติสัมชัญญะเป็นอุปการละคุ้นเท่ากับพอกระแม่แต่ถ้าไม่พอไม่แม่มันก็ไม่อันทูกอย่างลดไม่เข่ากินไม่เสื้อนุ่งของหอมไม่บานไม่ที่อยู่อาศัยความปลอดภัยไม่ขึ้นมาลดบัดนี้เขามาอยู่กับสติลงมือไต่ต้นโพธิ์ทิฏมันก็อยู่อ้อมอกของของของแม่ให้รู้ซึกละลึกได้ขึ้นมาแต่ว่าตามรักตามกวาการญานุปัชนาสติปัฏฐาน ภาษาวัดเป็นวางสัน้นภาษาบ้านเข้ากนันี่สติเห็นกายนี่แล้วใช้ทังใดมันสิเห็นม่นกายเนี่ยเอาตาในติเบิ้งอะบอแมนอันเบิ้งกายเจ้าของไปแย่งกระจกอันนั้นบอมแมนนี่กายเข้าสิเห็นกายเข้าเนี่ยสิเห็นใจเข้านี่ยแมนสติผล เ, เป็นดวงตาภายในที่พระพุทธเจ้าเมื่อพันเห็นขึ้นมาพันแต่อุท่านออกมาจากขู่เกิดขึ้นแล้วใจเรา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วใจเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วใจเราหมายถึงอันนี้เลยหมายถึงตัวสติสมชัญญะที่มันเห็นกายเห็นจังไรที่เห็นมันกายนี่ก็ต้องสัง่งสั่งให้มันมีแต่ว่าภาวนาภาวนาคือหเหตุให้มันมีทําให้มันมากสันตาเหามันมีมันก็เห็นอันนั้นอันนี้ไปขึ้นตาเนื้อเท่านี้แล้ว กันตาเขาไมมกันยางไปบานไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนเห็นหลักเห็นโตเห็นงูเห็นเหนียวเห็นอ่าลุ้มเพ็ดบ่อเห็นขวกเห็นน้ำไปเห็นกันล่ะตาในเขาจะเห็นอะไรสิแล้วบันเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดย่าหน่อยเขาก็ต้องเห็นล่ะสองสามมือมาเนี่ยเห็นยังไงเห็นมันคิดเห็นไก่ที่เขายางอยู่เห็นไก่ที่เขายกมืออยู่เนี่ยมันเบิงอยู่นี่บัน แมันจิไปอยู่บนอื่น so กับกลับมามาอยู่บนกายเท่านี้บนกายบงใจเท่าให้มันเห็นทุกที่มันเคลื่อนไหวอะไรก็เห็นมันมันโบเคลื่อนไหวก็เห็นให้มันเคลื่อนไหวเพื่อสิปูเพื่อสิสางสติมันสินี่ขึ้นกับเพราะเขาปูเขาสังเมื่แม่นคิดเอาเมื่อแม่นทองเอาเ่อแม่นจำเอาสติตัวเนี้ยสติประธานเนี่ยเ่อแม่นสติธรรมดาด้สติธรรมดามันก็ไปน้าเขาแล้ว ข้นซัวก็บมิสติไดข้นดีก็มีสติไดไปทำซัวสำเร็จไปรักไปซกไปป้นไปกี้สำเร็จไดเพราะเขาไปน้ำความคิดส่วนสติปัะธานที่ท้วนตัวทวนความคิดกลับมา่วงโตตอบเพื่อให้ห่อฟอบานเ่าเลียงง้วเลียงกล้วยนี่แล้วจะยังไดสีน้ำง้วน้ำกล้วยเขาคอกเขาแรงไดเจะยังไดกล้วยห่าสีบดเสียเ่อกระเบิงมันอ่ามันสิไปเขาห่อเขาสวนกับไล่มันทวงมันทักมัน มันสิไปตัง again, slopes, 1988, ้งพิดกันไล่มันมันสิบอกเขาขคกัไล่มันเขาคาฮัดมันจนรูจะขคอกแก๊กแดงคนน่ะฮัดใดคือพันให่จานหลงคอบานเท่าเนี่ยัดลีงแล้วเอาฮัดาแห้งมึกัดงานแห้งงมาเอาสันสันน่สันสันยดจดลงมาเอาบกเผาเอาบกเผาวน่ยอยู่ทั้งหัวอยู่ทั้งหลังก็งวกหัดกรหัดใดญ่คนเท่หัดบดสิญ่สบางใจใหควายกับยังหัดขาดใจไถยกหล่อยกแอกกันยางเขาใส่แอกหลอด ยางเขาใช้แอกเดินถูกห้องถูกหลงแม่อยู่ในน้ํำก็ยังย่างเถิมันหัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาหัดมันเนี่ยมันสิไปใช้แน่เนี่ยวันมันไปใช้แน่แหละไม่ออกมันโยนขําวบ่อเดี๋ยวนี้มันโยนใส่ได้เนี่ยมันจะวันไดนบุ๊คเลีนแบบทั้งเดือนจะบุ๊มันมันไปเราหัดมันบ่อไปไหนหัดมันวิธีหัดที่ไหนสมมันจิดไปลู่ท่านมันกลับบ้านหลือว่าเาหัดแล้วเอาทวงมันแล้ว เขโตมันแล้วเขาตอบมันแล้วปล่อยมันไปเ่ราฮัดมันบะแมนฮัดมันวัดมันผิดมันแล้วเพื่อฮัดงูฮัดคล้วยนี่แล้วมันจะไปทั้งใส่จังได้สนะทบไหวถึงตัวหน่อฮัดถึงใส่ไทยอ่มันจะไปทั้งขวายจังได้สนะดึงไหวถึงตัวมันจะแลี้ยงให้จังได็ดึงมันไหวมันจะยุ่ยให้จังได้กิดลามันไปให้มันไปพอดีพอดีนี่ไหมหัดถงส่แล้วไหัดคนก็ได้มันจะไปใช้ไหวมือนี่โยติต้นโพบ อยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกเราเรือ่อยไปบ่สันมัานทีนี้เจ็ดเดียดท่านมาๆกลับมามาอยู่วันนี้มาอยู่วันใดนีมิต่ให้มันอยู่เ น, น, น, นี่ยยกมืออยู่เนี่ยมันรู้สึกอยู่เนี่ยขวบ ม, มือแต่แข้งมือคืนยกมือคืนประมาณนี้นี่นี่นนิมิตเป็นหลักด้วเนี่ย อ, อริยบทนี่เป็นหลักสติเป็นเสื้อผูกเมื่อไม่หลักมีเสือไมีผูกดึงอยู่วันบ่เศร้ า, ร า, าทกบ่เศร้าเขียนบ่เศร้ามันกังหัวท่านตัว มันอยู่แล้วมันเกิดเชิงมันบกพยศปันตุบันเพิงได้ปัจจุบันใจได้ปันตุบันใจห้าก็ได้โอ้สีนอนก็นอนโหลดสีกินก็กินสีไปใช้มาใช้เป็นระเบียบระเบียบกันน้าหลุดจากบุญหลุดจักบาปสิเด้่เพราะแม่ที่คิดเอาโอ้ยตายไปแล้วเพราะสายตเด้อเพราะให้เกินสรนพ่าเทพยางย่องอันที่เขาขจาวไปอมันไม่หรอกคือขีปนาลสพอกีดไปบินต่ํามันหลายก่อนแล้วบอเห็นทัศเสีย บวเห็นบ้านเทวดายูเนียบ้านน้องกุ้งเขาเนี่ยมาน้องกุ้งธาสารนนั่งยูเนียนี่แล้วเทวดาทำก็คือผููมีคขมละอายใจใจบวกลาคิดซัวบวกลาทําซัวทำเมื่อเข้าคิดดีๆโยงเสียก็รักษาเข้าบวชตกไปในสู่ขั้วทุกข์ขั้วบอดีบวงามบวกลายคิดบวกลาทําบวกลาพูดนี่เทวดาจะแทนที่รักษาเข้าโยทุกข์กับบเอาแล้วบะ เพราะฉะนั้นเขาจึงมาสั่งดวงตาภายในขึ้นมาแต่มันมีมันหลายเนี่ยที่แรกกับลู่ซึกว่าเมื่อยู่ห้องเขาอลู่ที่สองก็ตั้งไว้แล้วลู่ที่สามก็ยกขึ้นลู่ที่สี่ก็มาอยู่ในนาทองลู่ไหลลู่ไหลลู่ไหลลู่ไหลลู่เข้าไปจนเป็นมหาลู่มันก็แสงสว่างที่แสงเทียนน่นหน่อยต่อไปก็เป็นแสงตะเกียงใหญ่ หลายด้ยมันโฮมก็เก่า <c oughs> ต่อไปก็เป็นแสงอ่าดีออนคนล้วบบต่อไปก็เป็นแสงจันแสงพระอาทิตย์แย่งโลกคนตัวแบบเห็นเห็นโูกเห็นหน้าันตัวกันท้องเบิงอะ่ะกันท้องเบิงมันก็เห็นหลดอ่ดเพราะว่าคือตาเงองเรากันท้าเบิงมันก็เห็นหลดตาในดวงใจคือตัวสติจัมพันชนญาแต่เบิงกายมันก็เห็นเบิงดูดูกับขุณก็คกเคยคนละแบบยำได้คนตัว ก็ลองคอยจำญาติโยมชาวบ้านน้องกุ้งนี่แล้วจำได้เห็นหน้าก็โอ้โยมบ้านน้องกุ้งตัวนี่สันเห็นเพนเห็นพาเห็นสงเห็นโลกเห็นเน้นก็จำกันได้คันโยากันโดนโดนลู่จักมาคุนบ่อพิษแล้วแาบนี้ทักท่วงก็บ่อพิษลู่จักลึอกเข้าไปจนลู่จักกินใจไหวยากผู้นี่เป็นทั้งสันเพิงได้เป็นหมูเป็นมิตรผู้นี่เป็นศัตรูพค่อยดีได้ต้องระวังคือตานอกตาเนื้อเท่านี่แหละ โอ้นี่ยขีงูเด้เนี่ยจเห็นลบหลีกเตืนตัวอันนี้บางคนงูตัวแม่นปลาตัวเนี่ก็เห็นเตนตัวอันนี้เป็นกงจักเด้เนี่ยบอกเอาอันนี้เป็นดอกบัวเด้เนี่ยโอ้ดีรู้จักเป็นสัตว์อันนั้นเขาบอกููมันจะขั่เอาเด็กแค่งูเป็นปลาเห็นซุกเป็นทุกเห็นกงจักเป็นดอกบัวเป็นสัตว์น่าจะมาเบิร์มันนมาเบอร์กาดมันเห็นมันเคื่อนมันไว้ยอะเนี่ยมันยางมันนั่งอยู่นี่เตือน อันใจมันคิดไปก็เห็นมันทุกที่มันคิดดีมันคิดบอดีเห็นจสด็จตัวบ้านมอเห็นแล้วก็บคุนเคยเห็นเป็นหลูกเป็นนามัโอ้อันกายนั้นมันหลูกประรถมตัวเนี่ยเสด็จเป็นก้อนอันนึ่งด้ไอ้กายนี่นะเสด็จว่ามันไปเห็นตับเห็นไตเห็นไตเห็นฟุ้งเห็นอวัยวะนี่อันนั้นเรต้องเห็นก็ได้นอกเพราะมันมีอยู่แล้วเห็นกายที่มันเป็นธรรมชาติของกายเนี่ยอาการของกายมันมีอนใรแน่ โอ้กายมันม่ลูบมีทาดซีมีขันหามันก็มีทีตอที่ติดไม่บอนไปบอนมาไม่สาขามีสภานไม่อัะไรต่างๆเขาก็เห็นมันอาการของกายไม่ไหนแน่บ้างไมีห่อนไม่หนาวมีหิวไม่เจ็บไม่ปวดอันนั้นว่าเป็นกายเด่นอาการของกายตัวสติสรมมชัญญาจงเกิดปัญญาเห็นอาการของเสียงมูนี้เที่ยวของกัมมันถูกขึ้นได้บ้างไหม ตาจเขาละวันเปนตัวเป็นตนทั้งเบิดมาได้แทนมันแม่นอาการของกายเป็นตามธรรมชาติไปธรรมชาติกายที่เขานั่งอยู่เนี่มันแม่นมันแม่นธรรมชาติดันหนึ่งโอ้ธรรมะคือธรรมชาติเด่กตัวเด็กสันว่ามันตอบมันทั้งต่อบไปมันทั้งเกลี่ยไปมันทั้งเบิดไปมันทั้งเข้าใจลู่อันใดเบิดไปอันนั้นหมดจดจบเป็นเนี่ยการศึกษาเรื่องลูกเรื่องกายต่างธรรมชาติอลู่จากจบจากสิ้นเป็นเบิดเป็นเบิดภาละเป็น ก็มาเห็นมากายมันเป็นก้อนอันหนึ่งมันเป็นก้อนถูกตัวเนี่ยจะว่าเป็นลูกถูกก้อนถูกเด้เนี่ยมันมากจริงๆเดยเนี่ยมันได้ของปลอมตัวเนี่ยคือจังเบอกกับแม่ออกยังกว่านะ่าแต่ห้ามันได้ของดีมันบอมแมนได้มันได้ของปลอมมากเด้มันละมาให้ห่าใส่บัดดาอ่ะบอนไม้ให้ห่าหวังห่อเห็นจนเป็นถูกเด้มาแล้มันมาให้ห่าใส่ยังก่ายที่เป็นลูกเนี่ยมันไม่อันใดที่มัน สิปับตัวมันพ่อมอกพอดีมันก็มีขันหาไม่เวทนามีสัญญามีสังขารไม่วิญญาณอันมันเจ็บได้เป็นเช่นไรสัตว์ขันเยียบน้ำมะลุจะเก็บมันก็เป็นผิดเป็นไผ่โอ้เวทนาเนี่ยมันมีเพื่อรักษาตัวมันตัวเนี่ยเมื่อจะเห็นอย่างสิได้มันเปนถูกได้ไปเนี่ยเมื่อฮัลโหลจังสิแล้วม่นเป็นถูกจังน้อยสิพู่มใจว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอัตโนมัติของมันมันหอนสิกระโอ้ มันมันบรูจักหล่อนมันก็จิ๊บหายนตัวกายนีแม่ท่นมันละดีได้บในห่อนบ่ามันทุกข์นว่ามันหนาวท่านเป็นในท่านหนาวคือการท่านไม่มันมมีความห่อนความหนาวเพื่อรักษารูประทับตัวี้ไว้่าแห้วแก่มันตากแดดเพรานุงเสียเลยเสร็จคือลงพอเลยทางปลาตากแดดหลังแตกเกิดบันเออมันห่อนมันห่อนที่จะในเสรนรูจากก่อนของห้มนะมัานบอกของฮมมันเป็นยังไงมันสิเป็นผิดเป็นไข่ตอมันนะ่น มันหนาวด้วยสันสันอาเทียนอนพอเสิ่อมะสื่มก็หาขั่วผ่ามะฮมมอันเด็กน่อยนน้อยมันบอกว่าเป็นมันปากว่าเป็นซอยตัวว่าเป็นมันก็เอาหามันบอกว่ามันหายพ่อแม่ก็เห็นได้ยินลูกให้ยขั่วอาโอ้ป๋าตัวคนร่อนขั่วผ่ามะฮมมใหม่มันก็เศร้าหาแต่ตั้งแต่มันปากบอลเป็นเอาให้เป็นเครื่องบอกมันท่อนมันก็หามันหนาวมันก็หามันหิวมันก็ห้นั่นเป็นธรรมชาติพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกสีมีขั้วชำเนี้ยชำนา่น เจ็บจังสี่มันไหายจังสี่มันต้องมีอันใดนึงล่ะหายจังสี่มันหายอยากเอาน้มเอาจูดใช้ปากหายดูดหากินไห้จังสี่มันเจ็บมันปวดเอาหลูจับนี่เป็นธรรมชาติของกายการมันบ่มีห่อนบ่มีหนาวบ่มีหิวบ่มีเจ็บแต่เป็นไพ่แล้วบ่ยู่ใดแล้วเฮาเนี่ยอยู่บ่ใดเพราะฉันทร์บางที่มันหิวเขาเสียอันหิวบ่เม็นตัวถูกใจเด้มันเป็นบอกสัญญาณของกายที่มันสิจิบหายแล้ว กกินเต็ตัวา้าแกหิวเข่าเป็นทุกข์แมนบ้าไม่ออกอเป็นบาเจ็บของเขา่าเนาะหิวเข่ามาเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยอย่างหน่อยเดียเอามือตบเอิหลดทุกข์มันดีด้วมันหิวขา่าเนสนของดีตัวเนี่ยสนธรรมาชาติของโลกมันปกติตัวนี่สันจไปเครียดจะไปโศนจะไปทุกข์กันหิวจะตายรอกเน่ันขัามันบ้หิว น, นั่นละสันันบ้หิวละรตายแท้สันโอ้ดีดีสันูมนใจหลด วันนี้หิวเข่าปวดต้องทุกบวต้องผ่านบวต้องอาตาขวงใส่ไม่ขั่วพ่อก็ดีหลูกล้านหลูกเน่นหนูหนูหน่อยๆก็ดีได า, าหิวเข่ามากแม้หนึ่งคำว่าท่านห้องเอออยากกินเ้าอยากกินเขาอาจาังมันเอาละบอกหัวใจมันโอ้บัดได้แทะหิวเขา่ามันเป็นเรื่องของลูกใหญ่ปวดต้องทุกแล้ววันมันมีเวทนาตัวนี้เพื่อรักษาตัวมันตัวอะไรจังกันหิวโยโบตายไปกิดแต่แทะ มันต้องหาจินจนไรล่ะมันเหนียว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเมื่อไม่ไม่รูปมันก็มีขันหาที่เป็นครูปรับตัวของมันมีสัญญามีสังขารค่มผงข่มแดงมันเป็นไปอันทียนั่งโดนโดนกันมันบอกม่มีสังขารมันบอเก็บได้ปะเนี่ยอันจะลายลดคือคนป่วยนี่แล้วแต่นอนอยู่ในร่องไฟบานกันบพพิกเนี่ยเน่าเลยแล้วกันทถอะเน่าบาดแผลหลุดกระดูกมันทิ่มหนังทิ่มเนื้อเป็นซอดลงมากคนน่ะนอนโดนโดนนั่งโดนโดน มันปวดขามันดีเลยได้เลยเกี่ยวเข่าหลังคดหลังกองก่อมันปวดเอวแล้วมันดีแล้วถานว่าปวดเป็นเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยบปวดอแล้วบัาจังเหยียบไฟบ่หัวจะหอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยโยงกัดบ่หลุดจะเก็บเหยียบน้ําบ่หลุดจะเก็บบ่หลุดจะเก็บจะปวดแล้วมันก็บอดีอันตรายมันเป็นสังขารมันต้องปงต้องแต่งดีสั้นมันไหลไปโยงสั่นตัวสังขารเนี่นา่งโดนๆมันก็ต้องปวดต้องเปี่ยนให้มัน อกันบอกเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นทุกข์โอ้มันเป็นก้อนทุกข์ตัวเห็นเบิดได้หมดเนี่ยเห็นอิรีได้เห็นเห็นรูปประทับเห็นเบิดจนจบแล้วโอ้มันเป็นก้อนทุกข์ตัวเห็นรูปหายใจเนี่ก็เป็นการแจ้ะทุกข์ได้เนี่ยใช่อื่อนำร่ายนี่ก็แจ้ะทุกข์ได้กินเข่าก็แจ้ทุกข์อาบน้ามก็แจ้ทุกข์ห้มผาเกะแจ้ทุกข์พลิกขี้งจริงตัวยืนเดินนั่งนอนแจ้ทุกข์ทั้งเบิด อ้าวพุทธโทษสิพุทโทษนี่ยมันตื่นไันเนี่ยโอ้มันก่อนถูกก้องถูกตัวเนี่ยสินะเอาเลยเห็นมันได้บัณเมื่อเห็นก็ตอบมันได้บริจนแล้วบันฑ์บริโจนไนี่ยส่วนมากคันเท้าบริเห็นเท่าสิจนต่อมันเนี่ยมันหิวกระจนแล้วตจำนนต้องห้องต้องหาต้องทุกข์มันหนาวมันคิดมันไหลขึ้นหน้าก็จะทุกข์จำนนต่อมันบรรูปจกมันดำข้อมเป็นจริงอ่าถูกมันหลอกมันล่วงได้ในเรื่องกาย อันเทียกายมันต้องการเจนึงเขากลม่อมก็มัมัน่นสมงุติเราเจียวเข่าปวดหลังปวดเอวอาจาเขาใส่มันดีๆให้มันมีความยุติธรรมมันบวเป็นยังไงเขาเราไปม้อมมันได้ปันแต่มันปวดเอวที่จังไงล่ะพอออกเอาฉีกยาปวดหายปวนหายทําใจก่อเจ้าของเกากลงไปเออดีจังน้อยไว้สว่าอ่าไสุบเจ้าของม้อมเจ้าของโรู้จักพักจากพอนบางที่กินยาตุ้นกระตุนประสาทกิน อันไรที่มันกระตุนประสาทกินเรากินชากินยังต่างๆเนี่ยที่เขาว่าออยังสองนิ้วหัวแดงกระทิ้งแดงยังต่างๆเนี่ยมันกระตุนจนเป็นโรคประสาทใช่ไหมบ้านล้งพอบ้านน้องเก๋กินยาม่อมเจาของกินยาอีรู้จักยาอีบ่ละ่ะไม่พอออกยาอียายากระตุนประสาทเม่ได้น้อย พวกนู้นี่พวกยาขยันพวกยามุนี่แหละที่เอาไปติดตั้งเนี่ยทำอะไรกินอยู่กว่าใดยากขยันยามากเนี่ยประเภทนี้แหละก็ขับรถขับเรือมเนี่ยมันอยากหลับอยากนอนบนอนกินยากอกมันลงไปคนที่สุดประสาทร้อนบาเนี่ประสาทร้อนทั้งระบนี้เห็นเมียนอนเห็นเมียนั่งอลูกกินนมอยู่โอ้คืดขึ้นมาขาเมียเอาสันมีดตีข้อเมีย ปฏิฟักษ์กัย่านเลือดมันออกกันเอาสันมีดตีเมียเอาลูกออกกินนมเนีเ่ยเรเอาสันมีดตีเมียเมียอยู่ในหมุง่งเอาลูกกินนมตีเมียจนตายโอ้ลูกพ่อยายอยายนุเก็บปีพ่อไอพ่อเจ้าขายแม่ยังไงก น, นโอ้ยเข้าบ๊วยเลยลูกมันจะหนาตายตายมันไม่ขว้นจุกดีกว่าปฏิปักษ์โยงสิสว่าไงเนาะข้อตาเมียตายแล้วจับแขนลูกไอ้มันบอก นับมาตีอีกตีข้อบทตีบอลเดตีตบตตายอีกคนหนึ่งนอนอยู่ผู้ที่สามผู้ที่สองนอนอยู่กลไปตีอีกตีผู้นันตายแล้วผู้น้อยๆเอาออกเจ้าหน้าแม่ก็ตีตายที่หลังมงืเอามานอนเอาหัวเขาเอามามาผ่าไปหัวเขาเจ้าของน่งยิมยังัไงบ้างน่งยิ ม, มประสาทหลอนมันม่อมเจ้าของกินยาม่อมเจ้าของมันก็หลงเสร็แล้วบะเนี่ยมันฝืนธรรมชาติ บั น, นี้ถ้าเข้ามาใชัมาหูจักมันตามข้อมเป็นจริงเลยโอ้ฉันว่านันเราดีด้วในกายนีย่มันปวดมันเมยเขาแก่มันถูกใส่มันเป็นบ่ได้มอมบ่ได้บ่ได้ เ, ดเดติมจิ่งไรที่มันบ่ดีบ่งามอันนี้เข้าม่อมเข้าได้เนี่ยยังเพนนจันทร์สงังหารพันวันบางที่มันก็เอาหมากไมเก้เขียวบางที่ก็เอยายาไม้สูบเอาเหล้าไม้กินด้านําำแข็งมอมเจ้าของได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติได้เนี่ยมอมเจ้าของทําให้ลงไปฉันตัปเนี่ย เลื่อมตาหมาก็้นฉนป่าเลนีนเลื่อมหอยยาฉันก็หลงไปฉันแล้ววะคือวันหลวงพ่อสมัยไปเปิดตกลมทีแรกมีญาติของหลวงพ่อเนี่ยญาติหลวงพ่อเนี่ ล, ล่ะที่เปาเรื่องสูกยาเชื่ยวมากเลแม่มูหลวงพ่อที่เป่าก่อนมูเนาะแมนบอเนาะแมนบอล้ไม่ออกหมาหนองกุง้งนเลพันอาจารย์สีพันพระโค้ตุทะฉันมาเว่าก่อนมูเรื่องอเรื่องหมากเรื่องยาตะกี้วันไม่ผู้เป่าหอก อันนี้มูรังควกไปเว้าวกั น, ว, กนว้าอยู่บัติน้องแก่ข้าเจ้าเศร้าสูบยาบัดเศร้าสูบยาแล้วแล้วมาคิดเห็นได้สมัยเราสูบยาเลื่อมหอยยาที่ไปไถยหน้านาาี่มันเศร้าลืมหอยยาเลื่อมหอยากือศูนย์เฉลิมบันะะเลยหินกับกัดเ่าได้สูบยาย อ, ยอาาันๆๆอออ น, น, นี้พ่อเมียเอาเข้าไปซ่งขึ้นพป๊ะโก๊ะมากช่วหอยาให้กลัวเสียเลยพ่อเมียมันก็นเมืยเนาะ ผู้ใดเจียวไม่เขาปลอดผู้ใดใช่ไหมของไขของมันอ่านกูถามมันใช่ไหมเปลอดเขาปอดแต่เต๋เนี่ยตกเพียงมน้าแต่เต๋เนี่ยตกเพีงมน้าบัดมาเศร้าสูบยาเราเมื่อคิดเห็นเพิ่มผิดพลาดเจ้าของมันโหลว่ามันหอหย่าว่ามันขี้บิตจิตใจแล้วเกันไม้ออกบางคนกับสีวานสีกันมันเม่ให้เที่ยวมากเมื่อให้กินข่าวซักมาสีเลยเห็นว่าไม่ออก มาสองพ่อได้ยินอยู่ได้ยินหลายคนอยู่อันนี้อิตพต่างคนกันล่ะแต่เพ่งเซลล์ปลอดภัยแล้วพอเพ่งเป็นนามสกุลเดียวกันโอ้ยแต่ บ, บตัดโมโหจักแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้รถคืดเห็นลูกเห็นเมียไปทั้งไรเสือเสียเสือผ่ามาให้เลี้ยจนลายเจ้าของเห็ุผิดเหตุผลาดประจาหอยจ่าสื้อเตะ